ขอการเพื่อนสะยัรรมนิกนะครับก็ไม่ได้อยู่หลายวันนะก็เพิ่งกลับมาก็มีงานาดที่นะอีกสักพักเดี๋ยวเราก็ไปธรรมญาตากันต่อแล้วงานกิจกรรมนะมันก็มีเยอะนะ เพราะว่าคนสมัยนี้ก็มีความมีความทุกข์กันมากนะมีปัญหากันมากนะทุกๆคนก็มีปัญหานะเฉพาะตัวนะนปัญหาเรื่องงานบ้างนะปัญหาในครอบครัวบ้างบางคนก็เป็นปัญหาสุขภาพบ้างนะ หรือบางคนก็เป็นปัญหาส่วนตัวปัญหาความคิดอความซึมเศร้าบ้างนะ่ะดูไปจริงๆก็โลกนี้ก็มีแต่ปัญหาเยอะเลยนะ <c oughs> ไม่มีใครไม่มีปัญหานะแ <c oughs> ม้แต่ผมเองก็มีนะ <c oughs> ออมันก็คือปัญหามันก็มีกันทุกๆคนนะ่ะโลกนี้มันก็เต็มไปด้วยปัญหาทั้งนั้นเลย แต่ก็รู้สึกว่าเออถ้าพอเราศึกษาธรรมะเนาะพอเราปฏิบัติธรรมเนะี่ยมันก็มันก็ทาให้ปัญหามันกลายเป็นความมันก็เป็นแค่ปัญหานะมันไม่ต้องมากังวลใจไม่ต้องมาทุกข์ใจอะไรมากมายเหมือนกับแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนคนเราเวลามีปัญหานี่ก็จะทำให้เกิดความเครียดเกิดความกังวล น, นะเกิดความทุกข์ แต่จริงปัญหาก็คือสิ่งที่มันมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นมาเนาะถ้าเราถ้าเรายอมรับเนาะเราเกิดมาเป็นคนนะเรามีครอบครัวเรามีสังคมเรามีหน้าที่การงานนะเมื่อมันมีเรื่องพวกนี้แล้วนะหรือว่าเราก็มีร่างกายแบบนะี้ไอ้พวกนะัไอ้พวกสิ่งต่างต่างเราเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่ต้องเข้ามาจัดการเข้ามาแก้ไข หรือต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนนะมันก็เลยเราก็เลยเรียกว่ามันเป็นมันเป็นปัญหานะหรือเป็นงานเป็นภาระนะแต่จริงถ้ามองไปในแง่หนึ่งก็คือธรรมธรรมดาอย่างหนึ่งนะมีร่างกายก็ต้องมีมีภาระในการที่ต้องดูแลร่างกายนะ เมื่อร่างกายไม่สบายก็ต้องมีภาระในการรักษาในการเยียวยานะมีครอบครัวนะก็ต้องมีภาระในการต้องเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะนะมีหน้าที่ก็ต้องมีภาระในการดูแลหน้าที่ของตัวเองนะแก้ปัญหาถ้ามันเกิดขึ้นกับหน้าที่การงานนะมีชุมชนมีสังคมก็ ก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องนะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแก้ปัญหาภายในชุมชนภายในสังคมของเราเองนะบอกในแง่นี้มันก็เป็นธรรมธรรมดาอย่างหนึ่งนะธรรมดาเป็นธรรมชาติที่เราต้องเกี่ยวข้องนะตามเหตุตามปัจจัยนะ่ะถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วมันก็เออก็ทําไปนะทําไปเต็มที่เท่าที่เราทําได้นะ ทำให้มันเสร็จไปทีละงานนะทีละคณะนะทีละวันไปนะมันก็ไม่ได้หนักมากนะไม่ได้หนักมากแต่หลายคนก็เอาปัญหาเอาเหตุปัจจัยต่างๆาพวกนี้มากลายเป็นความทุกข์ใจนะสิ่งสำคัญเลยที่ผมว่าผมมองแล้วก็คือว่า การที่เราไม่รู้จักปล่อยวางเนี่ยแหละนะไม่รู้จักปล่อยวางทั้งร่างกายก็ดีนะทั้งความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเองก็ดีนะคําว่าปล่อยวางนี้ไม่ใช่ปล่อยวางการงานหรือภาระนะแต่ถ้าการงานบางอย่างภาระบางอย่างมันไม่ได้จําเรื่องจําเป็นมากเราก็ปล่อยวางด้วยก็ไดนะ้แต่บางอย่างที่มันจําเป็นต้องเกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ ไม่ให้เปปล่อยวางที่ที่ภาระหน้าที่ข้างนอกนะแต่การปล่อยวางจริงคือการปล่อยวางที่จิตใจของเราเนี่ยแหละเวลาเราต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวข้องกับการงานเนี่ยสิ่งสาคัญมากคือการที่เราทํำนะเราทําให้มันเต็มที่นะตั้งใจทํานะรับผิดชอบในสิ่งที่ทํานะ แต่ทําไปแล้วมันจะเกิดผลอย่างไรแบบนี้มันก็เราก็จะปล่อยวางได้นะเพราะว่าเหมือนเออเราก็ทําเต็มที่แล้วอะไนี่นะอย่างเช่นเรามีปัญหาร่างกายนะเราก็พยายามพักผ่อนเราก็พยายามกินหรือถ้าเราเป็นโรคมากเราก็พยายามกินยาดูแลสุขภาพนะแต่ถ้ามันยังเป็นอยู่มันไม่หายก็ก็ไม่เป็นไรนะ ก็รักษาไปตามอาการเรื่อยๆมันไม่หายสุดท้ายก็ต้องตายใครก็ต้องตายเหมือนกันทุกคนอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้เป็นความทุบใจอะไรมากมายมันก็เป็นธรรมดานะคือถ้าเรายอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะมันก็มันก็ไม่ไม่ยากนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอืมก็แก้ไปตามหน้าที่นะตามเหตุตามปัจจัยที่ทําได้นะี่ การงานก็เหมือนกันก็อย่างเช่นถ้าต้องสอนคนอื่นแนะนําคนอื่นนะเราก็ทําเต็มที่ของเรานะแนะนําเต็มที่ของเราตามที่สติปัญญาวความสามารถของเราทําได้แบบนี้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เราสอนนะเขาจะเขาจะรู้เขาจะเข้าใจทุกคนเหมืันก็เขาก็มีเหตุมีปัจจัยของเขาแบบนี้นะ ถ้าเราวางใจแบบนี้ได้ก็ก็ยอมรับได้นะออมันก็ไม่เป็นไรนะเราก็ทำเต็มที่แล้วนะเขายังไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องของเขาเนะี่ยหรือก็เป็นเรื่องที่รอเวลานะรอโอกาสที่จะสอนต่อนะที่จะแนะนำต่อเอ น, นีนะ่นี่คือหน้าที่การงานหลายๆอย่างก็เหมือนกันนะบางที เลยเพาะเรื่องของชุมชนเรื่องของสังคมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นไปแต่ถ้าเราไปแบกไว้นะมันก็จะเป็นความเครียดกลายเป็นความทุกข์นะกเฉยพระวจชาท่านนี่แหละท่านมองเห็นว่าที่จริงก็มันก็ความเป็นมนุษย์เนาะมันก็มีภาระภาระเนะี่ยก็ แ่หนึ่งก็คือว่ามันก็ไม่จบไม่สิ้นเราจะเกิดเป็นใครนะเกิดที่ไหนเกิดในตระกูลอะไรก็มันก็ต้องเจอภาระพวกนีท้ทั้งหมดทั้งสิ้นท่านก็มองว่าส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นความทุกข์ซึ่งซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นว่า้ที่จริงภาพรวมของของการเกิดเนี่ยมันเป็นทุกข์แบบนี้นี่เองนะ แต่ในไหนเมื่อเกิดมาแล้วก็ก็ต้องยอมรับนะในการเกิดนะหลายคนแต่ก่อนเรเคยเจอแบบบ่อยมากนะมีคําถามนะเกิดมาแล้วทําไมอะไรประมาณนีน้เออคล้ายๆทําไมคนเราต้องเกิดมาประมานะแต่โดยส่วนตัวผมผมถามตัวเองกลับนะคือไม่ได้ถามว่าเออคล้ายๆทําไมเราต้องเกิดมาประมาณนะี้ เกิดมาทำไมนะแต่ถามว่าไหนๆเมื่อเกิดมาแล้วเนะี่ยจะมีชีวิตยอยู่ต่อไปอย่างไรนะผมว่าสำคัญกว่าเมื่อมันมีเหตุให้เกิดมาแล้วนะเมื่อมันมีเหตุให้มีชีวิตยอยู่ถึงตอนนี้แล้วนะผมว่าสิ่งที่สำคัญกว่าเมื่อมีชีวิตยอยู่นะเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรนะมผมว่าแต่โดยคาตอบของตัวเองนะก็คือ มีชีวิตอยู่อย่างส่วนหนึ่งก็ยังมีคุณค่านะอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องมีคุณค่าอย่างไม่ทุกข์เลยนะถ้ามีคุณค่าอย่างทุกข์ก็บางทีก็ไม่คุ้มนะนะคือมันเหมือนให้ได้ทั้งประโยชน์ตั ว, ตวเราเองด้วยแล้วก็ประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะแต่การที่จม จะมีชีวิตอยู่อย่างไม่ทุกข์เองมันต้องเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกสติอย่างมากนะเพราะว่าเวลาที่เราต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับการงานต่างๆนี่มันก็มีสิ่งกระทบเยอะเนาะอย่างที่ว่าทุกคนก็ต้องเจอสิ่งนี้กระทบนะถ้าเราไม่มีสตินี่มันจะคอยกระเทือนไปกับสิ่งที่กระทบได้ ง, ง่ายๆเลยนะเนีก็เห็นว่าคุณค่าของการ ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะบางวันเช่นเราอยู่ที่วัดนะหรือเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อมเนี่ยบ า, บางทีสิ่งกระทบมันอาจจะไม่มากนะเราก็รู้สึกไม่ค่อยทุกข์มากนะแต่ก็อยากจะบอกว่าอย่าอย่าประมาทแล้วกันนะบางทีอย่างผมรู้สึกนะตอนบวชใหม่ๆเนี่ยมันชีวิตความเป็นพระนี่มันก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากนะ ก็เราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรมากมายบางทั้งที่ตอนบวชใหม่ๆก็ถ้าถ้าเทียบกับคนบวชระยะเดียวกันก็ถือว่าเราก็รับผิดชอบเยอะนะแต่ก็แต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มากนะแต่พอถ้ามันนานขึ้นก็จะมีฝาระที่มันมากขึ้นแต่มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอนะ ผมว่าเนี่ยแต่สิ่งที่เราฝึกเนี่ยมันมันเอามาใช้ได้จริงๆนะเอามาใช้ไดนะ้เราต้องฝึกให้ให้ใจเรามีเครื่องอยู่อยู่เสมอนะนะมันเวลาไหนที่เราไม่มีการงานเนี่ยเราก็ได้อาศัยรูปแบบปฏิบัติธรรมเะนะี่นะนะอยู่กับรูปแบบให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะ โดยเฉะผู้ที่มาบวชใหม่ก็ดีนะหรือว่าเข้ามาปฏิบัติใหม่ๆก็ดีนะพยายามทำในรูปแบบให้เยอะเลยนะมันจะเป็นฐานที่ที่สำคัญมากนะนะเหมือนคล้ายๆเหมือนเราจะสร้างบ้านนะถ้าฐานไม่ดีเนะี่ยมันก็ต่อยอดไปไ ป, ไปได้ยากนะหรือแม้แต่ต่อยอดไปโอกาสที่มันจะลมมันก็ง่ายนะถ้าฐานไม่แน่นนะ พื้นฐานดินไม่แข็งเนะี่ยมันก็ถ้ามันจะไปทํางานอย่างอื่นนะหรือไปต้องไปสอนคนอื่นต้องเกี่ยวข้องคนอื่นบางทีมันก็จะมันก็จะล่มง่ายๆนะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติในรูปแบบให้ให้มากคนะือปฏิบัติในรูปแบบบางทีมันก็เครียดบ้างนะบางทีก็จริงจังบ้างนะหรือบางครั้งก็ติดอารมณ์บ้างนะแต่บางทีมันก็เป็น เป็นเหมือนประสบการณ์นะประสบการณ์ที่ต้องเจอกันบ้างนะไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้ถูกตลอดหรอกนะมันผิดนะแต่ให้เราให้เราสังเกตตัวเองนะนะบางครั้งก็มีครูบราอาจารย์คอยแนะนําคอยเตือนเราแต่บางครั้งอ า, อาจจะอยู่คนเดียวหรือไม่มีใครแนะนําเราเองต้องสังเกตตัวเองให้อให้ดีๆหน่อยว่า บางครั้งเราติดอะไรไปหรือเปล่านะคือติดอารมณ์เนี่ยมันมีทั้งสองลักษณะนะถ้าจะว่าไปสองลักษณะติดอารมณ์ด้านด้านลบนะติดอารมณ์ด้านลบในส่วนใหญ่ก็จะเป็นปฏิฆะนะปฏิฆะกับกับคนอื่นนะบางทีเราตั้งใจปฏิบัตินะคนรอบรอบข้างเราไม่ตั้งใจปฏิบัตินะ อทําอะไรวุ่นวายเนี่ยบางทีก็จะเกิดปฏิฆาขึ้นอืมไม่อยากอยู่หงุดหงิดเนี่ยไม่อยากเจอคนนี้นบางทีก็ปฏิฆากับกฎระเบียบของชุมชนมันละลวมมันไม่เรียบร้อยมันวุ่นวายเนี่ยนี่ก็ปฏิฆานะแต่ก่อนผมก็เคยนะก็ไปเรื่อยเหมือนกันนะจนถึงว่าไปหาดูว่าที่นั่น ก็ดีกว่าที่นี่ไม่ไงนะประมาณว่าก็ไปหาว่าที่ไหนจะดีที่สุดที่ไหนจะเหมาะที่สุดอะไรมาแต่ไปหลายๆที่ก็รู้สึกว่าแต่ละที่ก็มีปัญหาเฉพาะตัวของมันนะไม่มีที่ไหนสมบูรณ์แบบไม่มีที่ไหนดีพร้อมนะมันก็มีมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะอยู่ในตัวของมันเองนะผู้คนก็เหมือนกันนะ ก็มีทั้งที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ไม่ตั้งใจปฏิบัตินะในทุกๆ ท, ที่นะในสํานักใหญ่ๆหนะคูบาอาจารย์มีชื่อเสียงก็ไปมาหลายที่เหมือนกันนะไปดูดูไปสังเกตนะก็ไปฝึกตัวเองด้วยแหละนะไม่ได้ไปเน้นดูคนอื่นมากแต่ก็แต่ในใจมันก็มีไปดูคนอื่นเหมือนกั น, นก็ไปคาดหวังเออที่นี่จะดีไหมจะเหมาะไหมอย่างไรบางทีก็เป็นปฏิคฆะเลนะปฏิคฆะกับ กับคนที่อยู่ด้วยกันบ้างปฏิฆะกับกฎระเบียบบ้างหรือแม้แต่ปฏิฆะกับครูบาอาจารย์นะก็มีเหมือนกันบาทีเราก็อืคิดว่าหลวงพ่ออาจารย์นะควรจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ต้องสอนอย่างนั้นอย่างนี้ต้องวางระเบียบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะ่ะทำไมทํายำแบบนี้นะ่ะมันก็มีปฏิฆะนะเวลาปฏิบัติบางทีเราตั้งใจดีนะบางทีเราก็จะ คิดแต่เออเราตั้งใจดีเราคิดดีนะเราก็ไปยึดของเรามากนะล้วก็มองมองสิ่งที่มันไม่ตรงอย่างที่เราคาดหวังที่เราคิดก็เป็นเรื่องที่มันไม่ดีนะก็เกิดปฏิฆาขึ้นก็มีคนปฏิฆามากก็ไปเลยนะไม่กลับนะก็ด้านหนึ่งปฏิฆะนะมันคิดว่าต้องเกิดอะนะต้องเกิดกันแทบทุกคน เกิดมากเกิดน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่แต่สิ่งหนึ่งถ้าถ้าจะแก้ปฏิฆาได้นะคือมันคือบางทีเราก็ต้องเห็นเหมือนกันว่าบางทีเราจะไปหาไอ้ที่ดีทั้งหมดเนี่ยมันก็หาไม่ได้หรอกนะเพราะแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ได้ว่าจะดีทั้งหมดนะแต่บางทีเราก็จะไปหาสิ่งที่มันดีทั้งหมดมันถูกทั้งหมดก็ไม่ได้นะ ก็ไปนะแล้วก็ค่อยๆเห็นเออมันก็มีดีบ้างมีไม่ดีบ้างนะเป็นธรรมดานะจะหาดีทั้งหมดก็ไม่ได้หรือก็บางทีก็มองในแง่เข้าใจนะความมองในแง่เข้าใจก็มองเออที่เราอยู่มันก็ถ้าจะว่าไปบางทีเรามองเป็นปัญหานะแต่จริงมันก็เป็นแง่ดีนะเ อ, อคือบางทีความวุ่นวายนะ มันทําให้เราได้เห็นตัวเองชัดขึ้นนะเพออันนี้ใจมันไม่ชอบนะอันนี้ใจมันอยากเข้าไปจัดการอย่างนั้นอย่างนี้อันเนี้ยอันนี้เราไปเป็นทุกข์เพราะเราไปวุ่นวายกับเขาเองประมาณเนะี้มันก็พอพอมองแบบนี้นะพอเห็นแบบนี้มันก็เออเออทำไมเราต้องไปเน้นจัดการที่ข้างนอกเนะี่ยต้องไปหาอะไรข้างนอกนะถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วมันก็ ใจเราก็สงบได้ละใจเราก็ไม่เป็นทุกข์กับมันได้ละมันก็ไม่เป็นปัญหานะมันก็เป็นธรรมชาติของเขา <c oughs> ธรรมชาติของสถานที่นี้ธรรมชาติของครูบาอาจารย์อย่างนี้แบบสมมตินะอันนี้คือพอพอเรามีสติเราจะจะมองเออที่จริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันดีนะมันทาให้เราได้เห็นตัวเองนะเห็นว่าเราชอบอะไรเห็นว่าเราไม่ชอบอะไรนะเนะี่ย คือมันก็เห็นว่าใจมันเป็นแบบนั้นนะพอเห็นมันก็เออมันก็คลายออกไปได้นะปฏิฆะที่มันเกิดขึ้นมา ม, มันก็อยู่ออไดนะ้นนี้คือบางทีติดอารมณ์นะด้านด้านลบนะด้านปฏิฆะอีกด้านหนึ่งนะบางทีมันก็อาจจะว่าเป็นด้านบวกก็ได้น ะ, ะก็ต้องระวังดีๆเหมือนกันนะด้านบวกเนี่ย เริ่มตั้งแต่ถ้าใครทําแบบแนวสมาธิหน่อ ย, อยนิดนึงเนาะหรือถ้าเราทําในรูปแบบมากหน่อยนะแม้แต่สายหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันก็มีสมาธิเข้ามาเหมือนกันแหละนะอารมณ์ปิติเกิดขึ้นมาเนี่ยเวลามันปฏิบัติแล้วมันมันเพลินมันเบาเนี่ยมันสนุกหน่อยนะ่ะอารมณ์ปิติมันเข้ามาแล้วโอ้อยากแตปฏิบัติน่ะ อยากเก็บอารมณ์นะอยากเก็บตัวไม่อยากทํางานอย่างอื่นไม่อยากเกี่ยวข้องกับผู้คนเลยเนี่ยก็เป็นอารมณ์อารมณ์หนึ่งเลยนะอืมันเริ่มมีปิติมันเริ่มอยากจะรักษาสติให้มันต่อเนื่องนะอยากจะรักษาอารมณ์ไม่ให้อารมณ์มันขาดอารมณ์ความรู้สึกตัวเให้มันขาดเนี่ยก็เป็นอารมณ์นอืมมันก็เพราะมันรู้สึกว่ามันมีค่ามากนะ มีค่ามาต้องพยายามรักษาทนุถนอมเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์หนึ่งเนีน่มันก็หรือบางทีมีความสุขเนี่ยมีความสุขเนี่ถ้าทำสมาธิเนี่ยก็สุขก็ติดสุขพอใจแช่ในความสุขเนี่ยสงบเนสุขแบบสงบนีสงบแบบแบบสงบแบบไม่อยากรู้อะไรไม่อยาก ไม่อยากเห็นนะอะไรอย่างอื่นนะนอกจากอยู่กับความสงบแบบนะี้มันก็ติดนะหรือบางครั้งมันก็พอมันรู้มันเข้าใจอะไรบางทีมันก็อยากบอกอยากสอนนะอือยากเทศนะทําไมไม่ให้เราเทศบ้างนะทําไมไม่ให้เราสอนบ้างเนอะไเนี่ยบางทีก็ฟังคนอื่นสอนบางทีก็อืมสอนไม่ถูกสอนไม่ตรงนะสอนไม่ดีอนะไ้ยก็ อยากสอนเองอยากนั่นเองแล้วก็มันก็มีนะตอนอารมณ์พวกนี้นะแต่คือถ้าเราอันนี้ก็คือมันมันก็เป็นอารมณ์ด้านบวกนะอารมณ์ด้านดีนะคึองที่จริงมันก็สงบก็จริงนะสุขก็จริงรู้ก็จริงนะแต่ที่มันผิดก็คือมันไปติดนั่นแหละนะไม่ใช่มันก็เกิดขึ้นจริงนะ แต่เราไปยึดน่ะเราไปอยู่กับมันเนี่ยมันหลงตรงนี้นะมันหลงตรงนี้ต้องรู้ทันนะเออมันมีขึ้นจริงนะแต่เราไปหลงมันไปติดมันหรือเปล่าน่ะมันก็จะเห็นตอนเนี้ยะเห็นตอนถ้าเราถ้ามันมีเหตุปัจจัยที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะเกี่ยวข้องกับมันได้จริงๆเนี่ยถ้าเราหุดหงิดเราไม่ชอบเนี่ยแปลว่าเราเริ่มติดมันละเช่น ถ้าบางคนติดสุขนะ่ะติดสุข ต, ติดนั่นติดนี่ละพอความสุขมันหายไปอะเราอะไรเราเสียได้ไหมเนี่ยแต่ว่าเราเริ่มติดมันแล้วนะ่ยหรือพอจะปฏิบัติก็ตั้งเป้าว่าอยากจะให้มันสุขแบบนี้สงบแบบนี้เนะี่ยนี่คือให้เอกใจว่าเออเราเริ่มติดมันละติดความสุขลนะน่ะหรือตอนที่มันปฏิบัติเพ ล, เ ล, เลินๆะเบาๆน่ะต่อเนื่องนะ่ะรู้สึกตัวดีนะ ก็ลองดูตอนมีการงานตอนต้องเกี่ยวข้องกับคนแล้วมันรู้สึกว่าไม่อยากทำเลยไม่อยากเลยกลัวกลัวสติจะดุจนะกลัวความรู้สึกตัวจะหายไปน้อยไปเนี่ยแสดงว่าเออเราเริ่มติดแล้วเนะ่แสดงว่าเออมันแบบเป็นสติที่แบบต้องคอยรักษาเนะต้องถนอมเนะ่เหมือนกับเหมือนกับเด็กที่ต้องแบบอ่อนแออย่างนี้เนาะ อันนี้ก็เริ่มติดละหรือตอนมันรู้มันอยากจะสอนอยากีย น, นั่นจะนี่แต่ถ้ามันแบบไม่มีโอกาสสอนหรือถูกคนอื่นเบรกหรือถูกคนอื่นเตือนแบบนะีเรารู้สึกไม่ไหวหุดหงิดขึงเงิดนะไปแอบสอนไปแอบบอกไปนั่นนี่เนะี่ยแสดงว่าเราก็เริ่มติดละนี่ติดอารมณ์ละเราปล่อยวางอารมณ์พวกนี้ไม่ได้นะ ไอ้คนนี้มันก็เกิดนะผมว่ามันก็น่าจะเกิดกับทุกคนแหละถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆริงมันก็ก็เกิดบ้างแต่ถ้าเรานี่แหละนะถ้าเราหวังความก้าวหน้าจริงๆริงเราก็ต้องรู้เท่าทันอารมณ์พวกนี้นะนะกลับมานะกลับมาหาความรู้สึกตัวนะกลับมาดูดีๆนะเราจะเห็นว่ามันติดนะติดก็ไม่เป็นไรก็เห็นว่ามันติดนะ แต่ก็พยายามปฏิบัติต่อไปนะปฏิบัติต่อไปอืมเห็นมันก็จะเห็นว่าบางทีใจก็จะไหลเข้าไปในช่องที่ติดนะพอรู้สึกตัวปุ๊บมันก็กลับมานะมันก็จะเห็นว่าเออเดี๋ยวก็ไหลไปหาช่องที่มันมันชอบนะหรือมันไม่ชอบนี่แะนะช่องที่มันจะหลงนะเหมือนองน้ำํำ น, นะเหมือนถ้ามันมีรองน้ําอยู่สองร่องนะเทน้ําลงไปนะ ไม่ไหนไปทางชอบก็ไหนไปทางไม่ชอบเลยนะมันไม่ค่อยเฉยเท่าไหร่นะก็มีบ้างนะบางเรื่องนะก็เฉยเยอะแต่บางทีก็จะมีช่องที่เราชอบช่องที่ไม่ชอบขึ้นมาแต่ก็ให้เรารู้ทันนะรู้ทันนะการติดอารมณ์เองมันก็เป็นจะเรียกว่ามันก็เป็นทางที่พวกเราก็ต้องเจอนะต้องเจอก็ แต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันก็ต้องเข้าใจกันนะบางทีถ้าเราปฏิบัติทำเราก็จะเข้าใจเออเพราะเราก็เคยเป็นนะเราก็เคยเป็นเราก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบไหนนะให้เข้าใจกันนะอย่าไปมองกันว่าไม่ดีไม่ถูกไม่หรือแย่อะไรนะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเจอนะแต่เราเองก็ต้องคอยเตือนตัวเองบ้างหรือบางทีก็ฟังเพื่อนบ้างที่เขาเตือนนะไม่ใช่เตือนกันด้วย ความหวังคือเตือน้วยความหวังดีไนก็เตือนกันได้แล้วก็ฟังบ้างหรือเราเองก็ต้องเตือนตัวเองบ้างเวลาเราเริ่มจะไปติดด้านไหนแล้วเออคือถ้ากลับมารู้สึกตัวจริงๆนะมันก็มันก็ไม่เป็นอะไรนะอยู่ในความวุ่นวายก็ อ, อยู่ได้นะเออวุ่นวายก็เป็นเรื่องข้างนอก พอเรารู้สึกตัวแล้วมันก็ไม่วุ่นวายนะเออก็ดีอย่างเนะี่ยได้เห็นอารมณ์แต่ถ้าแบบแต่ถ้าติดด้านบวกส่วนใหญ่มันจะเข้าไปอยู่ข้างในมากเกินไป อ, อืไม่ค่อยสนใจคนอื่นหรอกนะมันสนใจแต่อารมณ์ของตัวเองนะบางทีมันเข้าในมากเกินไปถ้าจะว่าไปจริงๆนะที่มันหลงก็คือเนะี่ยจิตมันออกนอกเกินไปนะมันก็เกิดปฏิคัรได้ง่าย จิตมันเข้าในมากเกินไปนะมันก็มันก็จะเข้าไปรักษาไปประคองไปอยู่กับอารมณ์ข้างในมากเกินไปถ้าเราเห็นนะถ้าเราเห็นจิตที่มันเข้าจิตที่มันออกอย่นี้นะจิตมันจะกลับมาอยู่ตรงกลางของมันได้นะกลับมาสู่สภาวะปกติได้แต่ความเป็นกลางก็อย่าไปรักษามันนะมันบางทีมัน ไปรักษาความเป็นกลางก็ผิดเหมือนกันนะอืมแต่เรารู้นี่แหละนะรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปทีละขณะนะรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางไปทีละขณะนี่แหละนะมันก็จะทำให้มันเหมือนเดินไปเรื่อยๆนะมันก็จะเห็นไปเรื่อยๆนะเห็นกีเดทไปเรื่อยๆนะกีเดททั้งด้านที่เป็นอากาซอชัดๆก็ดีนะหรือกีเดทที่มาในข้าวของ ที่เขาบอกว่าเทวบุตรมารเนี่ยก็ดีนะนะเป็นมานที่อยู่ในรูปของเทวบุตรเนะี่ยมาแบบดูดีนะนะมันก็มีนะไอ้พวกนี้ยเราก็ต้องดูดีๆนะนะแล้วก็มันก็เกิดขึ้นกันทุกคนก็ให้พยายามมันดูตัวเองนะครับนะมันดูตัวเองให้คอยสังเกตดูตัวเองนะ ถ้ามาติดอะไรก็เน้นกลับมากลับมารู้สึกตัวก่อนนะกลับมารู้สึกตัวก่อนอย่าเพิ่งออกไปนะไปหาถูกหาผิดกับข้างนอกกับคนอื่นนะให้กลับมารู้สึกตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเฉพาะช่วงนี้บางทีก็อาจจะอืมมีการเดินทางบ้างนะนะหรือบางคนไม่ได้เดินทางอยู่คนเดียว บ้างหน่อยก็จะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นเนาะแล้วก็ฝากไว้ครับ